ไม่ใช่คือบอกว่าจักสุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในจักรสุเสียจักสุนะจักสุนะกสที่เธอละฉันทราคะได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขอันนี้คืออริยสัจหนึ่งรอกอนะแล้วก็สี 2, 1ตา2สีสจักรคูวิญญาณ4จักรครูสัมผัส5สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุก ข, ขมสุขเวทนา ส0ิบแล้วก็อุปมาแล้วก็กลับมาว่าซ้าอีกสามสิบว่าสองรอบใช่ไหมจากโสกไม่ใช่ของเธอทั้งหลายว่าอยู่สองครั้งอ่ะนั้นก็คูณสองไม่อยู่อัฐานะมะะัคคะปฏิปันโนแปลว่าเดินทางไก ล, ลนะอันนนอัฐานี่แปลว่าไกลไมัคค ะ, ะแปลว่าทาง ปฏิปันโนก็เดินเดินทางไกลโน่นนะระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพกลับมาแล้วกรุงเทพเอาไปหาทีริกเล่ <c oughs> น, บบนนายฤาษี <c oughs> อ๋อจะขับรถกลับไปฮ่าฮ่าฮตอนนี้ก็ บ, บนในใจกล้าว่า เพามามาถึงยังเล่าอย่างี้แต่แดง่าบ่นในใจอยู่บ้างเหมือนกันดีละก็สังวรได้เยอะแล้วนะวในทวารที่คนอื่นไม่รู้นี่ก็เอาไว้ก่อนไปเอาเนาใช่ <c oughs> เอเนีใช่จาีแบบ จะได้เอาเอาไอ้ชนิดที่ไม่ลำบากใจในภายหลังไว้ก่อนในหน้า175เลยนะเล่มนี้ปิดเทอมทันว่าเนาะทันนะอมไม่ปิดก็ไม่เป็นไรไม่ปิดก็ได้ ก็ <g ül> เรียนกันไปน <g ül> ้องก็มาลายหยุด <c oughs> ไม่ต้องปิดนะนะจริงไม่ต้องปิดนะให้ผู ก, การว่าต่อไปห <c oughs> น้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะอุทกะสูตรอุทกะคนนี้ก็คืออาจารย์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือจะบอกอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์นั่นแหละก็คืออาจารย์ของพระโพธิสัตว์ แต่อาจารย์ของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่พระโพธิสัตว์ไปเรียนอยู่ด้วยนีย่สมัยที่สแสวงหาโพธิญาณเนี่ยไปเรียนอยู่ด้วยสงสัยจะเป่งคําเหล่านี้ให้เจ้าชายสิท ธ, ทธะหรือให้พระโพธิสัตว์ได้ฟังอยู่เรื่อยซึ่งพรองตรัสว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายได้ยินว่าอุทกดาบทรามบุตรย่ยอมกล่าววาจาอย่างนี้ว่าเราขอบอกเราเป็นผู้จบเวทโดยส่วนเดียว เกราปเวทเนี่ปแปล ว, ว่าความรู้นะเขาเนี่ยเป็นผู้ถึงที่สุดความรู้แล้วจบหมดกระบวนความรู้ว่านั้นเราขอบอกเราเป็นผู้ชนะทุกอย่างโดยส่วนเดียวชนะก็คือชนะทุกเรื่องแบบนั้นเราขอบอกเราขุดเสียแล้วซึ่งมูลรากแห่งทุกที่ใครขุดไม่ได้โดยส่วนเดียวก็คือเท่ากับปฏิญาณว่าตามพยัญชนะก็ถือว่าปฏิญาณเป็นพระอรหันต์นั่นนะ ปฏิญาณว่าเขาถึงที่สุดแล้วนะดูความที่สุดทั้งหลายอุทกะดาอุทกะดาบทรามบุตรยังเป็นผู้ไม่จบเวทก็กล่าวว่าเราเป็นผู้จบเวทยังเป็นผู้ไม่ชนะทุกอย่างก็กล่าวว่าเราเป็นผู้ชนะทุกอย่างยังไม่ได้ขุดมูลรากแห่งทุกก็กล่าวว่าเราขุดมูลรากแห่งทุกข์ได้แล้วนะจริงๆก็ยังไม่ได้จบอะไรใช่ไหม เพราะอะไรเพราะว่าอุทธกะดาบทรามบุตรนี้จบอากินจัญญายตนะนั่นนะอาราลดาบทนี่จบเนวสัญญาณาสัญญายตนะจริงอุทกะดาบทนี่อาราลดาบทอุทกะดาบทอุกาาทอกะดาบทได้เนวใช่คนนี้นะได้เนวสัญญาณาสัญญายตนะเป็นอาจารย์คนที่สองนั่นนะคนแรกก็ไปเรียนกับ 阿拉าราลาดาบทคนที่สองก็อุทะกาดาบทอุทกะดาบทนี้ถึงเนวสัญญาณาสัญญายตาตนะเนวสัญญาณาสัญญายัตนะนี้โดยอารมมีอากินจัญญายัตนะเป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าว่าโดยชาติเป็นกุศลชาตของของา拉ระดาบทเนี่ยนะขอไปของอุทกะดาบทนี้เนวสัญญานาสัญญายัตนะที่แกมีอยู่นั้นน่ะโดยอารมมีอากินจัญญายัตนะเป็นอารมณ์ โดยชาติเป็นกุศลชาติเมื่อเป็นกุศลชาติก็จะต้องให้วิบากต่อไปก็คือเกิดในที่ไหนก็พระวักขพรบังกันาถอะพระวักเนี่ยกระว่ายอดของภพเนี่นยนะกระวั้นโยดไม่มีที่ไหนที่จะยอะสูงกว่านี้อีกแล้วมีอายุอยู่แ <c oughs> <c oughs> ปดหมื่นสี่พันกัปปิดพัดลมนะน <c oughs> ะอายุยืนมากเลยนะแปดหมสี่พันกับ ซึ่งแต่ในที่สุดเนี่ยนะก็เวียนกลับมาเกิดในกามสุขกรรมอีกอยู่ดีแต่ว่าลงมาที่แรกจะลงมาในกามสุขติก่อนเนีย่ยนะพอมาถึงกามสุขติเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแล้วค่อยว่าอีกทีว่าจะต่อที่ไหนเนีย่ยนะจะว่าต่อสุขติหรือทุกขติค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าอยู่ในรูปประพรมเนี่ยนะรูปประรมเนี่ยรูป รูปปะระมนะสมมุติว่าหมดจากฌานที่สา ม, มาเกิดในพรมชั้นที่หนึ่งยังได้แต่อารูปเนี่ยจะไม่มีลงเนี่ยนะถ้าลงก็ลงมาสู่กามเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จบอะไรเนี่ยนะยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกอะไรจริงๆเนี่ยนะเพียงแต่ว่าพ้นจากทุกขทุกพ้นจากวิปรินามทุกเนี่ยนะโดยโดยภพเนี่ยนะโดยภ พ, ยพแต่เขาก็พ้นทุกไปเยอะนะทุกขทุกไม่มี วิปริณามทุกไม่มีคือไม่มีสุขเลยนะสุขแบบทั่วๆไปในภพนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยพ้นจากทุกข์ทุกพ้นจากวิปริณนามาทุกแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้พ้นอะไรจริงๆน ะ, ะต้องกลับมาหาทุกข์อีกเหมือนเดิมแต่ถ้าเทียบกับคนทั่วๆไปนะโอ้นี้ชั้นยอดแล้วเนี่ยนะนี่ชั้นยอดยถ้าเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยนะดูก่อนพี่สุทั้งหลายภิษุ เมื่อจะกล่าวข้อนั้นโดยชอบควรกล่าวว่าเราขอบอกว่าเราเป็นผู้จบเวทโดยส่วนเดียวเวทในที่นี้หมายถึงมรรคยานนะหมายถึงอริยมรรคเรียกว่ามเมธเราขอบอกว่าเราเป็นผู้ชนะทุกอย่างโดยส่วนเดียวก็คือชนะกรรมชนะวิบากหมดเราขอบอกว่าเราเนี่ยขุดมูลรากแห่งทุกที่ใครขุดไม่ได้โดยส่วนเดียวอันนี้ก็เท่ากับบอกว่าขุดมูลรากแห่งทุกหมายถึง ตันหานั่นเองอันนี้ก็คือผู้ที่ปฏิญาณแบบแบบปฏิญาณจริงเนี่ยนะว่าจบเวทคืออรหัตมรักจริงแล้วก็ขุดมูลรากแห่งทุกได้จริงชนะได้จริงชนะกรรมชนะวิบากได้จริงอันนี้ก็เป็นคําของพระอรหันเนี่ยนะที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายภิกษุย่อมเป็นผู้จบเวทอย่างไรเนี่ยนะถึงที่สุดแห่งความรู้เนี่ยนะอย่างไงดูความพิสูจน์ทั้งหลาย ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสระณะแห่งภาษายตนาหกนั้นการรู้ความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนหกเนี่ยเรียกว่าเป็นความจบเวทอย่างแท้จริง ก็วิชาในโลกเนี่ยนะเว้นพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียวิชาอื่นๆที่จะกล่าวถึงเหตุเกิดของจักรสุเนี่ยนะว่าจักรสุนี้เกิดโดยอาการเท่าไหร่จักรสุเกิดโดยอาการหนีตาหูจมูกลิ้นกายเกิดโดยอาการ5้าเพราะวิชาเกิดจักรสุจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดจักรสุจึงเกิดเพราะกรรมเกิดจักรสุจึงเกิดกรรมที่ทําให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายนี่โคนลกรรมกัน นัแล้วก็ตันหาก็คนละตันหากันด้ว ย, ยาตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะเพราะอาหารเกิดสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพราะถ้าขาดอาหารก็กก็กก็แตกกันนะก็เสียหายมันแล้วก็นิพัติลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกาย ท, ที่เกิดขึ้นค่อยๆเจริญเติบโตเนี่ยนะโตขึ้นมาได้ขนาดนี้เนะี่ยใช้ชีวิตมาหลายปีเหมือนกันนะกว่าจะเลี้ยง จักสุให้มันแก่กล้าได้ขนาดนี้โสตินซีเป็นต้นก็ น, นิีพติลักษณะคือลักษณะที่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะเกิดโดยอาการห้าส่วนใจนั้นเพราะอาวิชชาเกิดใจจึงเกิดเพราะตันหาเกิดใจจึงเกิดเพราะกรรมเกิดใจจึงเกิดใจอันนี้เน้นที่ผวังก่อนนะเน้นที่ผวังอันอวิชชาเกิดนั่นแหละปฏิสนธิจึงเกิดใช่ไหมพอหลังจากปฏิสนธินั่นแหละก็เรียกว่า มโนละภวังกรรมก็คือมหากุศนมหากุศลที่เป็นเหตุแห่งมโนตัวตัวกรรมนะถ้ามหากุศลดวงที่หนึ่งให้ผลมหาวิบากก็จะเป็นดวงที่หนึ่งเ พ, เพราะกรรมเกิดมโนจึงเกิดนวิชาตันหากรรมลนะที่เหลือก็ถ้าปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี่ก็มโนอาศัยนามรูปเพราะมีนามรูปเช่นเพราะมีหัตยะ มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ย น, นะมโนโจึงเกิดได้หลับพันอาศัยวัตถุอาศัยอารมณ์นั่นแหละนามจึงเกิดได้<ม>แล้วก็นิพพัติลักษณะก็คือความสืบเนื่องแห่งภวังที่ที่เป็นมาเนี่ยนะเพราะนิพพัติก็คือความเกิดขึ้นหรือความสืบเนื่องที่เป็นมานหมายถึงความเกิดโดยสันตติทีนี้ผวังนี้ก็สันตติของผวังเนี่ยาวหน่อยก็คือขณะไหนขณะหลับเนาะ ผวังเนี่ยจะสัน ต, ติยาวหน่อยคือผวังนั้นตัวมนุยังมีจิตอื่นมาขั้นคือยังมีวิถีจิตมาขั้นแต่ตานี่ไม่มีรูปอื่นมาขั้นถ้าขั้นหมายถึงบอดเลยนั่นเองมันจะเกิดทุกอนุขณะมาตลอดหูก็เกิดมาทุกอนุขณะจิตก็เกิดทุกอนุขณะมาตลอดเอ่อขออภายัยตาเกิดทุกอนุขณะหูเกิดทุกอนุขณะ จมกูกเนี่ยเกิดมาเรื่อยๆทุกอนุขณนจิตลิ้นก็เกิดทุกอนุขณะจิตมาเนี่ยนะกายก็เกิดมาทุกอนุขณะจิตแต่ว่าพวังนั้นจะมีจิตอื่นมาขั้นเนี่ยนะมีวิถีจิตจากขูทวานวิถีโสตคานาชิวหากายมโนทวานวิถีมาขั้นไอ้มโ น, โนคือพวังอันนี้เนี่ยนะก็ก็ยังมีขั้นบ้างแต่ขั้นยาวที่สุดก็คือขณะขณะหลับเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าความเกิดของตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ ที่มาแบ่งโดยภพภูมิก็กรรมนั่นแหละเป็นตัวจำแนกกรรมจำแนกว่าเออเนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย เ, เกิดในนรกอ่ะกรรมเนี่ยจำแนกให้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจของแปลกของอสุรกายของสัตว์ดิเรกชันกรรมเนี่ยจำแนกให้ว่าเออเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอรูปภพรูมก็ดีะนะันมีแต่ใจอย่างเดียวไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยลดปัญหาไปเยอะเนี่ยนะ มันอันนี้เป็นความเกิดนะคือถ้าว่าไปแล้วในการสามตาหูจมกูกลิ้นกายใจมันก็เกิดเพราะเหตุเหล่า น, นี้นะพอได้เหตุเหล่านี้แหละตาหูจมกูกลิ้นกายใจจึงเกิดอนาคตต่อไปเนี่ยนะตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็เกิดโดยปัจจัยสรุปนะเท่าไหร่ทวานนะห้าหทวาน่ะนะถ้ากล่าวไปแล้วก็เท่ากับว่าเกิดโดยอาการ30สถ้าความดับเหรเพราะอะไรดับเนี่ย จะดับจริงๆก็ต้องโน่นแหละอวิชชาเนี่ยดับด้วยอรหัตตมรักษ์ะนะเมื่ออรหัตตมรักเกิดอวิชชาดับนั่นแหละจากสุโสตะคานาชิวหากายจริงจะดับจริงอรหัตตมรักตัดตันหาได้เ น, นี่ยจึงจะดับจริงเพราะฉะนั้นตัวที่ดับดับตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยแท้จริงก็คืออรหัตตมรักถ้าอารหัตตมรักเนี่ยเกิดขึ้นดับอวิชชาดับตันหาที่เป็นเหตุแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ กรรมที่จะทําให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กลายเป็นกิริยาจักไม่นําผลต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ถ้าอย่างในภพนี้ก็ดํารงเป็นวิบากกระตาตาของอดีตภพใช่ไหมมันไม่ใช่ของปัจจุบันภนะ พ, พผู้ที่ดับจริงๆมันต้องดับในในปัจจุบันที่เห็นกันอยู่นี่ถ้าจะให้อรหัตมรรคเกิดนะนะถ้าหากว่าอารหัตมรรคยังไม่เกิดก็เชื่อว่ายังไม่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างแท้จริง แต่ว่าถ้าเฉพาะของพบนี้นะถ้าตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจเนี่ยถ้าอาหารดับมันก็ดับถ้าทุกอย่างบริบูรณ์หมดมันก็ตายอยู่ดีนั่นเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีหรอกนั่นในที่สุดของสิ่งเหล่านี้จะต้องแตกทำลายไหมเพราะว่าวิปริณามะลักษณะเนี่ยนั่งก็ยังไงก็ต้องถึงที่สุดคือการแปรปรวนจนใช้การไม่ได้แต่ไม่ใช่ไปคิดแบบฝรั่งอีกนะ กำลังคิดยังไงนะเอาไปดองแช่แข็งเอาไว้ใช่ไหมเผื่อนาโคตต่อไปวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นอาจจะทําให้ฟื้นขึ้นได้สนใจไหมจ้างเคยสอนไม่สนนะชาตินี้ก็ทุบจนตายแล้วนะยังจะเอาเก็บไอ้ของเก่าไว้แล้วมาเกิดอาศัยร่างเดิมอีกโอ้ไม่ไหวอนะคุณอาลีไม่เอาบ้างเลยหรือไม่ไม่ไม่ไม่มีแนวความคิดแบบนี้บ้างนะเก็บร่างเดิมนี่แหละนะเก็บไว้สักอีกสักสมมตินะห้าพันปีข้างหน้า เกิดวิทยาศาสตร์มันรุ่งเรืองอะนะทำไปทามาจนว่าไปเปลี่ยนไปหยุดพบอื่นมานานนะแล้วมาใช้ร่างเดิมอะ่ oh, yeah, มนนะแย่มันมมมนะไม่มีความคิดอะไรเลยไม่มีความคิดอะไรเลยจะพอใจร่างเดิมเนี่ยนะก็คือร่างนี้มันก็แสดงว่ามันทุกทรมานเต็มที่จนตายแล้วนะถ้ายังยังมาอยู่ร่างเดิมอีกจะขนาดไหนนะ มันก็ผุมังกระร่องกระเร่งเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นอะไรมันก็เสียหายไปหมดเลยนะกระร่องกระแร่งน้าที่มันหล่อเลี้ยงเขานะเลียน้าอะไรน้าน้าไขของส่มลเดินนักระล่องกระเร่งกระล่องกระเร่ง่นะดังเอียดอาดเอียดอาดถึงก็ฟื้นได้ก็แย่เต็มทีเหมือนกันเขาก็เขาลองจากกบดูก่อนใช่ไหม กบมันน็อก แ, แข็งๆ น, นะตอนหนังก็มาทําฟ้นขึ้นได้นี่มนุษย์มันน่าจะได้ได้มังยังไม่ยังก็ว่าจะไม่ตายอีกอย่างนั้นเลยนะทได้ก็เวียนไปฮักตายอีกจนได้การพิจารณาเกิดตามตัเนี่ยเราพิจารณาตัานเ็นี่เกิดส่วนตามตันี่ืออะไรอันีมีนะครับในอาณเป็นพิจารณาความ ยังว่าไหมว่าพิจารณาเนะหตุเกิดความดับของขันทันนศน์ได้สนัเนี่ยไปเกิดก็ได้แก่วิชาตัสนารกรรมแล้วก็พิจารณาความดับได้แก่รหัสมันแต่แ ว, ว่าพิจารณาแบบที่เราเกิดมาเนี่ยก็ได้แกน้าของวิชาตัสนารกรรมฐานแต่นนว่าเมื่อรหัสมัเกิดเมื่อใดเมื่อนั้นมีความดับเกิดสูบเกิดเลยมนะ ผมก็เรียนไม่ถึงเหมือนกันคือถ้ากล่าวให้ตรงนะเหตุเกิดความดับอันนี้คืออุทยพย า, ยา น, นว่าว่าโดยโดยยานเลยนะที่พูดเนี่ยหมายถึงพูดอุทยพยามยาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอามาเจริญเป็นจริงเป็นจังเลยนะก็ต้องตีรณะปริญญาเนี่ยต้องทำให้บริบูรณ์เต็มที่ อยู่ที่การทํำตีรณปริญญารูปสัตตะกรูปสัตตะการจนบริบูรณ์แล้วจึงมนัสิการ์ความเกิดความดับอันนี้เนไเพราะว่ามนัสิการโดยความเกิดความดับถ้าทําอย่างถูกต้องตามคําสอนก็คือวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดนั่นเองเห็นไหมหเหตุเกิดความดับอันนี้นะเพราะจะท่านอธิบายเป็นอุทยพยานหมดเลยซึ่ง พื้นฐานตีระปริญญายาตะปริญญานี่ก็ก็แม่นยำแล้วเห็นไหมแต่ทีนี้อย่างลักษณะคําถามที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่ผมก็ไม่ทราบว่าคิดด้วยยานไหนผมก็ไม่ทราบ น, นะแต่ถ้าโดยวิชาก็ไม่ไ ม, ไม่ผิดอะไรนะ ไ, ไม่ไม่ได้ขัดกับหลักการอะไรเพราะว่าก็จริงอ่ะอ น, นะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นถ้ารหัตมรเกินก็ดับหมดอ่ะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันการใช้พยัญชนะอันนี้เนี่ยนะ มันก็ทําให้คิดคล้ายๆกับคุณบุญมีคิดเพราะฉะนั้นของเรายังดับไม่ได้เหมืนกันเลยยังสร้างอยู่เลยกันนะคือความคิดบางอย่างเราก็ต้องมาดูดู ว, ว่าเป็นไปเพื่อความเพียรขึ้นไหมอ่านะทุกๆความคิดนะถ้าเราจะเอามาวัดกันเนี่ยถ้าถ้าเราจะคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะเครื่องวัดเลยอะเครื่องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยผิดหรือถูกเครื่องวัดง่ายๆหนึ่งถ้าคิดอย่างนั้นแล้วศรัทธาเพิ่มไหมสอง เพียรที่จะปฏิบัติมากขึ้นไหมสติแม่นยำขึ้นจิตสงบขึ้นปัญญาคมกล้าขึ้นหรือเอาอินทรีห้ามาวัดนั่นเองนะ ถ, ถ้าเราคิดอะไรก็มาก็ได้นะมันเข้าหลักอินทรีให้อินทรีห้าไหมเจริญอินทรีเพิ่มขึ้นไหมถ้าอย่างนั้นถูกแต่ถ้าคิดไปแล้วก็ท้อเลยอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยอรหั ต, ตมรรคไม่เกิดเนี่ยคงดับไม่ได้แน่นอนอย่างเงี้นะ น, น, น่ต้องอรหั ต, ตมรรคก่อนนซึ่ง สัมนวนว่านามรูปยังไม่พิจารณาเลยอรหัตตมรรคมันจะเกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็สําคัญที่ว่าการคิดสูตรหรือคิดอะไรขึ้นมาสําคัญอยู่ที่คิดแล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมอยู่ตรงนั้นนะครับอันผู้ที่จบเวทอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็คือรู้เหตุเกิดความดับนะเกิดโดยอาการ30นะดับโดยอาการ30แล้วอัาธาละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หมายมสุดยอดอัดาธาเหมือนกันเนละ ลองพาไปไหนไม่ให้เราดูดูสิเห็นไหมอันไหนซาซื้อบัตรแล้วเขาไม่ให้ดูนะแย่เลยนะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยหูจมกูกเล่นกาใจาเนี่ยเป็นเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมไม่มีอะไรที่สัตว์ทั้งหลายจะพอใจยินดียิ่งเท่านี้อีกแล้วเห็นไหมยินดีในตาหูจมกูกเล่นกาใจาเนี่ยยินดีที่สุดเพราะฉะนั้นอาสาทะนี่แหละเรียกว่าความยินดีซึ่งหมายถึง ฉันราคะที่เข้าไปยินดีในตาหูจมูกิ้นกายใจแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะโทษของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าโทษนั้นหมายถึงอาทีนวานุปัสนาเนี่ยนะหรือหมายถึงการพิจารณาโดยอาการ42 42ก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นต้นนั่นแหละลหมายถึงการพิจารณาโทษเนี่ยนะ ยอมก็ถามยอมคนหนึ่งก็ถามว่าเออนี่นะถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นคนทุกคนยากยากจนเดือดร้อนลําบากฮะเช้ากินขําเจ็บป่วยสงสัยเราจะเห็นโทษมากขึ้นหว่างั้นก็ถามอย่างไนะกกาางนะฟุกานว่าไงะถ้าเกิดในตระกูลตามรูปชั่วตัวดําฮากินฮะอยู่ลําบากโอ้โหจะเบื่อหน่ายในวัฏฏะา ม, มากขึ้นเป็นอย่างั้นไหมอาะก็จะเห็นโทษของขันมากขึ้นเห็นง่ายอะ่ะเพราะอยู่กับทุกตลอดเป็นอย่างั้นไหม ข้ามาเรียนข้ามาเรียนแต่ถ้าไม่เรียนไม่มีเขาเจะานะั้นก็เอาว่าโดยธรรมดาก่อนนะวิชาเออนะการเห็นโทษเนี่ยมันเห็นด้วยปัญญามันไม่ได้เห็นด้วยทุกขะกายะวิญญาณเนี่ยนะโทษนะก็เราดูว่าชนกลุ่มไหนที่ศึกษาคําสอนมากที่สุดแล้วก็มาวัดดูโดยปริมาณโดยจํานวนมากเนี่ยนะถ้าเป็นคนงานรายวันกับ พนักงานประจำะรํำมาไหนศึกษามากกันมันก็ห่างกันมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในในพระสูตรสูตรหนึ่งก็บอกว่าเครื่องผูกเนี่ยนะถ้าเป็นนกกระจาบเนี่ยหรือว่านกมูลไถเนี่ยนะฟางเส้นเดียวมันก็ผูกอยู่แล้วใช่ไหมหญ้าเส้นเล็กๆนะผูกมันอยู่มันบินไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นพยาช้างเนี่ยนะพญาช้างที่แรงดีเอาโซ่มาล่าก ม, มันก็ไม่อยู่ เอาโซ่อย่างดีเลยนะมล่ามมันก็ยังแหกโซ่ออกไปได้เพราะฉะนั้นอย่าถือว่าไอเครื่องถูกคือวัตถุกรามถึงจะถึงจะน่ารังเกียจขนาดไหนเขาก็รักชีวิตของเขาอเอาไวากันเถอะนะเขาก็รักศักดิ์ศรีของเขาอ่ะนะเขารักตาของเขาอ่ะเขารักหูรักจมูกรักลิ้นรักกายของเขาอ่ะถ้าเขามีแม่บ้านนะมันจะขี้เรขนาดไหนมันก็แม่บ้านของเขาอ่ะอนะ เขามีบ้านอยู่นะจะมีกระท่อมเพิงหมาเงันจะพังไม่พังแหล่มันก็บ้านเขาอะ่ะเขาก็รักอะ่ะเขาออกไปไม่ได้หรอกในในสุขพระสูตรหนึ่งยังชอบอยู่ทุกวันนะก็บอกว่าพวกทุกขตะเข็นใจทั้งหลายเนี่ยนะอาชีพหาเช้ากินข้ามีเข้าสารอยู่นี่เดียวบ้านจะพังไม่พังแหล่อยู่กับแม่บ้านสำนวน ว, นว่าพุงโรก้นปอดอะไรตระกูลเราเนี่ยคือก็ไม่งามเลยมันงั้นเถอะ เสร็จแล้วก็บอกโอโหนี่ถ้าเราจะต้องออกไปบวชนะบ้านเหล่านี้เดี๋ยวพวกคนหาบหญ้ามันก็มารื้อเอาบ้านเราไป น, นะเพราเขาคิดแค่นั้นตับบ้านนี่เท่ากับพระราชวังเลยไอก้กระต๊อบจะพังไม่พังเลยเนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับพระราชวังเลยเออนี่ถ้าเราออกไปบวชนะมีเราเนี่ยไอ้พวกเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้ามันก็มาคุยด้วยโอ้โหอย่างนั้นนางฟ้าขึ้นมาทันทีเลยนะ ยังนอนนี on, ่เขาจะเอาไปทําฟืนทําอะไรกขบบอกหมว่านั่นบาลังอย่างดีเลยก็รฉะนั้นก็เลยออกไม่ได้อยู่นั่นแหละแต่พระราชามหากษระสับเนี่ยนะที่มีทุกอย่างเนี่นบอกโอ้ยหุ่นวายเนอขัดข้องเนอะนะบวชดีกว่าก็เลยสามารถที่จะสละได้เพราะไอ้เครื่องผูกเนี่ยมันอยู่ที่ใครอยู่ที่มีปัญญาที่จะเข้าไปเห็นโทษของสิ่งนั้นมากขนาดไหนเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีนะสักคนบางคนนี่มันอาสาธรมาก อาหารไม่อร่อยเนี่ยนะถ้าโดยทั่วๆไปนะรสชาติเนี่ยใช้ไม่ได้เลยสําหรับคนทั่วๆไปอ่ะแต่คนนั้นทำไมมันกินอร่อยอร่อยจังเลเงี้ยนะมีไหมคนแบบเนี้ยนะนนสมมติเราเก็บที่ถังขยะมากินอ่ะนะโอ้โหกินด้วยความอร่อยอร่อยจริงจอ่ะนะส่วนเจ้าที่กินในพระตคารก็ยังกินไปอย่างนั้นอย่างนั้นสักแต่ว่ากินกินไปนะกลืนไม่ค่อยจะลงเลยเจ้ากินข้างถนนเนี่ยกินเอาแหมอร่อยอร่อยยังว่าไม่เคยได้กินมานอนเต็มทีเลยนะเพราะฉะนั้นอาสาธะนี่อาสาธะ หรือการพิจารณาอาทีนาวะเนี่ยอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครได้รับอาสาท่มากแล้วจะเห็นโทษเร็วหรือใครที่ อ, อยู่กับอาทีนาวะมากๆแล้วจะออกได้ไม่ใช่เพราะการเข้าไปรู้อาสาท่อาทีนาวะเป็ น, เ ป, นเป็นตัวปัญญาที่เข้าเข้าไปรู้สิ่งนั้นโดยอาสาธา่โดยอาทีนาวะเนี่ยนะการรู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะ อันนั่นแหละคืออบายเป็นเครื่องสลัดออกนั่นเองเพราะว่าอย่างอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรกก็คือเป็นธรรมะที่รู้ความเกิดและความดับรู้อาสาธาอาทีนวะโดยกิจเนี่ยนะโดยกิจเป็นอย่างดีไม่ใช่อารมณ์นะเพราะอารมณ์ต้องนิพพานเป็นอารมณ์เพราะคาว่านิสรณะเป็นชื่อของอริยมรรกกับนิพพานเนี่ยนะจางแกสุดาเปิดหาที่ไหน เจอไหมที่ว่าเนี่ยั่นนะใช่แล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนั่นแหะอยู่ตรงนั่นอ่ะสาบรรทัดล่างเลยนี่นะฉะั้นตัวอนิสรณะเนี่ยนะอุบายเครื่องสลัดออกอันนั้นเนี่ยหมายถึงอริยมรรคกับนิพพานอริยมรรคเนี่ยรู้ความเกิดความดับอาสาธาตุทีนวะโดยกิดโดยกิดรู้นิพพานโดยอารมณ์นั่นนะรู้นิพพานโดยอารมณ์ ส่วนนิพานก็เป็นธรรมชาติที่สงัดจากอายตนะเหล่านี้ทั้งหมด น, นิพานนสังัดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสังคตะธรรมเนไหมนิพานเป็นอสังคตะธรรมถ้าไม่มีอสังคตะธรรมนะสลัดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้หรอกนั้นผู้ที่จบเวทอย่างแท้จริงเนี่ยคื อ, อยางนีนะั้นอันนี้หมายถึง มระดับไหนอรหัตตมรค น, นแล้วจึงจะทำกิจอันนี้ได้อย่างจบสิ้นบริบูรณ์นั้นผู้ที่จบเวทคือผู้ที่บรรลุอรหัตตมรภิกษุย่อมเป็นผู้ชนะทุกอย่างได้อย่างไระนะะดูผู้ชนะเลยนะก็บอกว่าภิกษุรู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับอาสาธาทีนวะนิสรณะแห่งภาษายตนะห เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นภิกษุย่อมเป็นผู้ชนะทุกอย่างอย่างนี้แหละเนี่ยถ้าสิ้นอุปาทานขันจริงๆเลยนะเรียกว่าชนะอย่างแท้จริงคือถ้าไม่ถือมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรหั์นี้ไม่ถือถือมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะท่านาคามียังถืออยู่ถือใจอยู่ท่านาคามีไม่ถือตาหูจมูกลิ้นกายแต่ยังถือใจอยู่ถือยังไงถือใจที่เป็น เป็นฌานเนี่ยนะถือใจที่เป็นฌานในระดับสูงแต่ถ้าถือใจอยู่ก็ยังถือถือถือภพอยู่เหมือนกันมันก็ยังถือรูปประภพอยู่ถืออรู ป, ประภพอยู่เนี่ยนะไม่ไม่จํากล่าวถึงบุคคลชั้นล่างๆว่าจะไม่ยึดถือในตาหูจมกูกเลนกายใจเนี่ยนะมันผู้ที่ชนะทุกอย่างในหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นไม่ถือตาหูจมกูกเลนกายใจเนี่ยว่าเป็น ของเที่ยงของสุขของยั่งยืนงามเป็นต้นผู้ที่ไม่ยึดมั่นอย่างนี้เนี่ยนะท่านก็ชีวิตตายกับเป็นอยู่ไม่ต่างกันเนี่ยนะโดยโดยโดยโดยเวทนาของท่านนะปกติสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงคําว่าให้ชีวิตเนี่ยอะไรจะเกิดอสสาทะเกิดใช่ไหมหรื อ, ร อ, รอความพอใจเนี่ยเกิดเป็นอย่างมากอภิชาเนี่ยเกิดขึ้นถ้ากล่าวว่าใครจะเอาจะเอาชีวิต อันนั้นอะไรเกิดโทสะก็เกิดใช่ไหเท่านการได้ชีวิตนี้ถือว่ามีลาภอย่างมากสัตว์ทั้งหลายก็พอใจแต่ถ้าบอกว่าต้องสิ้นชีวิตก็ไม่พอใจอันนี้เป็นโทมนัสแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะจะมีหรือไม่มีก็เหมือนเดิมเนี่ยนะหมายความว่าไม่มีอภิชากะโทมนัสเลยมีชีวิตก็ไม่มีอภิชาถ้าสิ้นชีวิตก็ไม่เกิดโทมนัสเนี่ยนะ เพราะไรเพราะว่าท่านเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ต่างอะไรจากท่อนไม้ท่อนหญ้าเนี่ยนะท่านท่านให้ค่ามันเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะไม่ได้สำคัญว่ามันเกินกว่าท่อนไม้ท่อนหญ้าเพราะฉะนั้นถ้าเขาตัดไม้ตัดหญ้าเนี่ยนะเออคนทั่วไปก็ไม่เสียใจใช่ไหมชั้นใดเนี่ยนะพระหันก็ลักษณะนั้นจึงเรียกว่าเป็นคนชนะอย่างแท้จริงเนี่ยนะคนที่เหลือก็ถือว่ายังยังแพ้อีกอยู่ดีเนี่ยนะ